อันธรรมชาติของจิตคือรู้อารมณ์หกเหล่านี้นี่แหละอันนั้อาศัยว่าถู ก, กับอารมณ์จิตก็เกิดขึ้นอันธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตก็คือคิดซึ่งอารมณ์รู้แจ้งซึ่งอารมณ์จิตตัวนี้แหละคือวิญญาณขันธ์อันเดียวกันชื่อว่าจิตถ้าไม้ท่ามุ่งที่ชวนะจิตนะก็คือการสั่งสมสันดาขนของตนของตนด้วยอํานาจชาวนะวิถีถ้าชาวนะจิตมันก็สั่งสมเป็นชาวนะใช่ไหม สังสมยังไงคือดวงที่หนึ่งกับดวงที่เจ็ดไม่ต่างกันโดยวัตถุและโดยอารมณ์เช่นชาวนะดวงที่หนึ่งเป็นโลภะก็โลภะเจ็ดวงซ้ําๆกันอย่างเงี้นะมัน เ, เรียกว่าชาวนะจิตก็เพราะว่าสังสมสันดานของตนนะที่มันเป็นกรร ม, มกิเลสเนีย่ยที่มันให้ผลได้ก็เนื่องจากว่ามันเหมือนกันมันซ้ํากันย้ํากันทั้งเจ็ดครั้งอะ่ะถ้าอะไรถ้าย้ําถึงเจ็ดครั้งนี่ก็นับว่าเป็นเหตุอย่างเนียวแน่นเลยใช่ไหมชาวนะจิตเนี่เวลาเกิดขึ้นรับอารมณ์แั๊บย้ําอยู่เจ็ดครั้ง นะน่นธรรมชาติที่ย้ำย้ำอยู่อย่างนี้เรียกว่าสั่งสมสันดานของตนด้วยอํานาจวิถีคือด้วยอํานาจชาวนะเนี่ยนะเป็นชาวนะเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นสีปั๊บเนี่ยชาวนะอย่างน้อยทันทีเลยรับอารมณ์นั้นเจ็ดวงนะย้ำอยู่กับอารมณ์นั้นย้ำอยู่กับแต่ละอารมณ์แต่ละอารมณ์นะอันนี้แหละเรียกว่าชาวนาจิตส่วนวิบากจิตล่ะวิบากจิตก็คืออันกรรมกิเลสสั่งสมแล้วหมายความว่ามันมันเป็นผลทวงของกรรมและกิเลส ถ้าไม่มีกรรมและกิเลสวิบากจิตเกิดไม่ได้เวน้นมะเวน้นอริยผลนะในเราพูดถึงจิตทั่วๆไปถ้าไม่มีกรรมและไม่มีกิเลสเนี่ยนะจิตเกิดไม่ได้นะเช่นจากครูวิญ ญ, ญาณถ้ามไม่อาศัยกรรมไม่อาศัยกิเลสพรามวิชาเกิดจากครูวิญญาณเกิดเพราะตานหาเกิดจากครูวิญญาณเกิดเพราะกรรมเกิดจากครูวิญญาณเกิดเพราะวัตถุกับอารมณ์เกิดจากครูวิญญาณก็เกิดขึ้นผลจากครูวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นโสดาวิญ ญ, ญาณก็เหมือนกัน ว่องว้างใครหมั่นสาธยายดูบ้างเนียอาศัยอวิชาเกิดโสตาวิญญาณเกิดอาศัยตันหาเกิดโสตาวิญญาณเกิดอาศัยกรรมเกิดโสตาวิญญาณเกิดอาศัยหูกับเสียงโสตาวิญญาณก็เกิดเพราะนี่เพื่อปัดจัยแห่งโสตาวิญญาณปัจจัยแห่งขานะวิญญาณกายะวิญญาณก็ลักษณะเดียวกันถ้าหมั่นไข่ควรบ่อยๆจะรู้ว่าพวกนี้มันเป็นผลของกรรมและกิเลส ในขณะเดียวกันหลังจากจักคูวิญญาณเกิดขึ้นก็มาสั่งสมกรรมและกิเลสด้วยอำ น, นาจชวนะใหม่ น, นก็ถ้าชาวนะเป็นอกุศลวิบากก็โดยมากต่อด้วยโทสะโทสะเสร็จก็โลภะต่อชังเสร็จแล้วในที่สุดก็ไปคิดหาของชอบต่อไปอะชังแล้วก็ชอบชังแล้วก็ชอบชอบเสร็จก็ชังอีกจนได้ทั้งชอบทั้งชังนะอยู่นี้แหละ จิตทั said, other, an ้งหมดนี้ท่านบอกว่าเป็นธรรมชาติที่วิจิตเขาบอกว่าสิ่งในโลกไม่มีอะไรจะวิจิตเท่ากับจิตอีกแล้วเขาบอกว่าวิจิตยังไงมาลองดูตามทวารนะจิตที่เกิดทางจักขคู่ทวารก็ประเภทหนึ่งจิตที่เกิดทางโสตะทวารก็ประเภทหนึ่งจิตที่เกิดทางคานะทวารก็ประเภทหนึ่งจิตที่เกิดทางชิวหาทวารก็ประเภทหนึ่งจิตที่เกิดทางกายะทวารก็ประเภทหนึ่งจิตที่เกิดทางมโนทวารก็ประเภทหนึ่ง อนนี้เรีย่เป็นความวิจิตของจิตแต่ละทวารทีนี้ในแต่ละทวารก็แบ่งไปตามชาติอีกวิบากชาติกุศลชาติและอกุศลชาติวิแต่ละทวานนะ้ะแบ่งไปได้สี่ชาติเลยกุศลอกุศลวิบากกิริยานนะทุกทวานแนละทวานห้ท ว, วานตาเนี่ยเช่นอาวัชนะเป็นกิริยาจักขูวิญญาณเป็นชาติวิบากสัมปติชนะสันตีรณนะเป็นชาติวิบากวัฏพันะกิริยาชาวนะเป็นกุศลและ อกุศลก็เป็นไปอย่างนี้ครับสี่ชาติในชวนะเดียวเลยนะสี่ชาติในชวนะในในจักขคูทวารวิถีโสตทวารวิถีคานะเชียวหากายะแล้วก็ลักษณะเดียวกันมันจึงเป็นสิ่งที่วิ จ, จิตมากในตัวจิตทีนี้พูดถึงชาวนะเนี่ยแล้วยังมีอย่างอื่นอีกไหมแล้วแต่อารมณ์อีกอารมณ์ก็เช่นทวารตาเมื่อกี้เนี่ยมีสีขาวเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งสีเขียวเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งสีเหลืองสีดําสีแดง ก็แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็แต่ละแต่ละจิตแต่ละจิตไปวันวิจิตขนาดไหนแล้วก็ยังวิจิตด้วยอํานาจวัตถุเป็นที่เกิดจกักรคูทวารจริงแต่อาศัยสองวัตถุจกักรครูวัตถุกับหาทยะวัตถุแล้วโดยภูมิไะชาวนะจิตบางชาวนะนะสัมพันธ์กันทั้งกาง ม, มาภูมิและรูปประภูมิก็แล้วแต่ภวังว่าเนชะ่นบางคนเนี่ยรวังก่อนหน้านี้มาเป็น รูปประภูมิไพรมก็มองเห็นได้เข้าพวังอีกก็รูปรูปรูปวิบากต่อไปอีกอันวิจิตโดยภูมิการมภูมิมั่งรูปรูปประภูมิมั่งอรูปประภูมิมั่งนี่น้อยนักที่จะเป็นโลกัตาภูมิเพราะนั้นตัวจิตเหล่านี้ที่เป็นไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งวัตตาเพราะอาถาวาสั่งสมสังสารทุกทุกทั้งหลายเนี่ยมันสั่งสมอยู่ที่จิต ถ้าไม่มีจิตสัอย่างเดียวเนี่ยทุกข์ทั้งหลายจักมีไหมถ้าไม่มีจิตสัอย่างเดียวนะจักทุกข์ไหมไม่ทุกข์แน่ฝนจะตกน้ําจะท่วมถ้าไม่มีจิตสัอย่างเดียวเนี่ยไม่ทุกข์หรอกไม่ไม่มีทุกขะทุกนะไม่มีวิปริณามาทุกด้วยถ้าไม่มีจิตเพราะทุกขะทุกเกิดร่วมกับจิตวิปริณามาทุกเกิดร่วมกับจิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งวัตะสังสมสังสารทุกข์ สังสารทุกข์ทั้งทุกข์กทุกข์วิปริณนามทุกและสังขารทุกข์ทุกทั้งหลายมันก็เป็นไปอย่างนี้นี่แหละถ้าคิดดูนะอะไรก็ตามถ้าจิตเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยถามว่าเราต้องสังสมทุกข์ในสิ่งเหล่านั้นนั้นไหมถ้าออกจากอารมณ์ได้ทั้งมวลเนี่ยนะสังขตาอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะทุกข์ก็ไม่มีที่สังสม วิญญาณทั้งหลายเนี่ยเวลามันตั้งอยู่ที่มันเป็นกรรมกิเลสสังสมวตะตตนะต่อเมื่อมีสังขารเป็นอารมณ์เท่านั้นมีสังขตะเป็นอารมณ์เหมือนอย่างว่าถ้าเงาดวงอาทิตย์มันส่องเข้ามาข้างในเนี่ยมันจะตั้งอยู่ที่ไหนก็ตั้งอยู่ที่ฝาใช่ไหมถ้าไม่มีฝาตั้งอยู่ที่ไหนที่พื้นเดินเนี่ยนะถ้าไม่มีพื้นบินตั้งอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าตั้งอยู่ที่น้า ถ้าไม่มีน้านั่นตั้งอยู่ที่ไห น, นตั้งใ่ที่ลมได้หมไม่ได้ถ้าไม่มีที่ตั้งแล้วทุกทกั้หททงหลายจักมีได้ไหมฉันใดก็ดีทุกทั้งหลายนะจิตทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะมีสังขารธรรมเป็นที่ตั้งนั้นสังขารธรรมนี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นั้นถ้าไม่มีที่ตั้งคือสังขารธรรมก็เป็นอสังขตะธรรมนั้นความไม่ใช่สังขารเนี่ยเป็นสุขอย่างแท้จริง เอ่อถ้าเรากล่าวตามวิถีเนี่ยนะความวิจิตของจิตอีกครั้งหนึ่งจิตตัวแรกก็เรียกว่าปัญจทวาราวัชนะจักขูวิญญาณสมปติชนะสันติระนะโธทัพนะแล้วก็ชาวนะไรตถาธารมนะอันนี้ในจักขูทวานนะเรียกว่าจักขูทวาน จกักรคูทวารเนี่ยจิตเหล่านี้ก็มาแบ่งอีกว่าโดยโดยโดยทวารเนี่ยนะจิตทั้งหมดนี้เรียกว่าเกิดในจกักรคูทวารถ้าโดยภูมิล่ะอันนี้เป็นอะไรกิริยาจักคูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณนะชาติวิบากวัฏพนะชาติกิริยาชาวนะเป็นชาติกุศลอกุศลกิริยา ตถากรรมณะเป็นชาติวิบากอันนี้เขาเรียกว่าโดยโดยอะไรโดยชาติถ้าโดยภูมิโดยภูมิเนี่ยจิตพวกนี้ทั้งหมดเป็นกา ม, มาวจรภูมิเป็นกา ม, มาวจรทั้งหมดนี่แล้วโดยอารมณ์มีรูปเป็นอารมณ์อย่างเดียวมีสีเป็นอารมณ์อย่างเดียวนี่ ทีนี้เมื่อเป็นอารมณ์งี้ก็มาแบ่งเป็นว่าไอ้วิบากตัวนี้เป็นวิปากวัฏตเนี่ยนะกุศลกับอกุศลเนี่ยนะแบ่งเป็นถ้าเป็นกุศลกุศลเนี่ยเป็นกรรมอย่างเดียวกิเลสเนี่ยเป็นสองอ่เป็นกรรมและกิเลสเป็นทั้งกรรมและกิเลสทีนี้พวกนี้มันเป็นสังสาระยังไงในจิตทุกดวงเนี่ยนะประกอบด้วยนามขันสีคือเวทนาขัน สัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันขันอันใดอันนั้นก็คืออายตนะเพราะฉะนั้นเวทนาขันเป็นเอาเข้าไปวิญญาณขันเป็นมานายตนะเวทนาสัญญาสังขารเป็นธรรมายตนะธรรมายตนะก็คือธรรมธาตุมานายตนะเนี่ยนะวิญญาณตัวนี้ก็แบ่งเป็น ตัวปัญจทวาราวัชนะนี้เป็นอะไรเป็นมโนธาตุสำปติชนะก็เป็นมโนธาตุจะคูวิญญาณเป็นจกคูวิญญาณาธาตุจิตที่เหลือตรงไปเป็นมโนวิญญาณาธาตุเพราะฉะนั้นก็เป็นธาตุทันจิตเหล่านี้ได้หนึ่งมโนธาตุจกคูวิญญาณาธาตุอะไรมโนวิญญาณาธาตุก็เป็น เมื่อลำดับแห่งขันอาญตนะถ้าเป็นไปอย่างสืบเนื่องอย่างนี้เรียกว่าสังสาระสังสาระวันไปไหว้พระที่อยุทยาผู้การชี้ให้ดูน้ำผู้การว่าไงจงดูกระแสะแห่งสังสารวัตรที่มันไหลไปอ่ไงกระแสะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไหลไปดูดกระแสะน้ําก็เป็นไปอย่างยาวอย่างนี้แหละ พันก็มันสังสาระตัวนี้เนี่ยสังสมอะไรสังสาระเหล่านี้ก็เป็นทุกข์ทุกข์บ้างวิปริณามาทุกข์บ้างอะไรสังสาสังขารทุกข์บ้างสิ่งเหล่าเนี้ยคือชาติทีทุกข์ชาตทุกข์ทุกข์พญาที่ทุกข์มรณะทุกข์โสกปริเทวะทุกข์กตมณัตและอุปาญาตทุกข์อวัตตทุกข์ขั้งมวลก็เป็นไปอย่างนี้ ถ้าไม่มีจิตสักอย่างเดียวเนี่ยนะถามว่าทุกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไหมวัตจทุกเหล่านั้นจะเกิดขึ้นไหมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันเป็นลําดับความเป็นไปสืบเนื่องแห่งจิตนั่นแหละคือความสืบเนื่องแห่งวัตจทุกข์นี่นะวัตจักทุก็เป็นไปอย่างนี้แหละอันก็เมื่อใดเนาะที่จิตเลิกพาไปสักทีหนึ่งจิตเอ้ยเจ้าพาฉันไปเกิดในภพภูมิต่ตางๆมากแล้วนะใครไปอ่านในนั่นล่ะ อาตาลปุตตะเทราคาถาโอ้ท่านคุยกับจิตของท่านยาวมากเลยเนาะก็ไปอ่านดูนะอ่านดีจิตเออเดี๋ยวก็พาไปตกนรก <c oughs> นะนไตาลปุตตะเทราคาฐาน่าจะเล่มห้าสิบสามท่านคุยกับจิตของท่านเองเอ่าเอาเมื่อจิตมันไม่ใช่เราแล้วจะคุยกับเราได้ยังไงเนาะสาธุคอยมันอย่างนั้นเถอะ <c oughs> มีแต่เราอ่ะที่ลําบาก <c oughs> พอจะบอกว่าเราอีกก็ไม่ใช่อีกแล้วคือพวกจิตเหล่านี้เนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นของเราเพราไม่ใช่ของคุณการตายาเพราะมันของเราอะ่ะถ้าของคุณการตาก็ของคุณการตานี่ว่าโดยโวหารหน่ะนะของใครก็ของใครล่ะมันไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เหมือนกับของคนอื่นอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นของเฉพาะตนถ้าอย่างนี้จะเรียกว่าของเราก็ได้เห็นไนะ ชนิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะสีเนี่ยโดยมากสีตัวเนี้ยรูปตัวนี้เป็นที่ตั้งแห่งกาโมปาทานเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินใช่ไหมเนื่องจากรูปคือสีที่น่าปราถนาหน้าไข่หน้าพอใจชวนให้รักชัดให้ไข่พาใจกำให้กําหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงประกอบด้วยความพอใจฉะนั้นสีที่น่าพอใจเหล่านั้นจึงเป็นที่ตั้งแห่งกาโมปาทาน<ม>กาโมปาทานนี่เกิดในชาวนะเดี๋ยนะ เป็นกามโมพาทานทีนี้ถ้าสําคัญว่าสีเนี่ยเ ท, ที่ยงเที่ยงยั่งยืนพวกนี้เป็นอะไรทิฏฐุปาทานหรือขาดศูนย์ utiliz? สีเนี่ยศูนย์ที่เรียกว่าอุดเฉดทัิทิฏฐิเนี่ยนะอันนี้เป็นทิฏฐุปาทานหรือสำคัญว่าจิตเหล่านี้เนี่ยเป็นของเที่ยงก็เป็นทิฏฐุปาทานหรือสําคัญว่าจิตเหล่านี้เป็นอัตตก็เป็น อัตวาทุปาทานถ้าเป็นศีละพัตูปาทานนะบอกว่าถ้าดูอะไรสักอย่างหนึ่งดูโดยที่ไม่กระพริบเป็นต้นเนี่ยดูให้มากเข้าไว้แล้วจะบรรลุเองอันนี้ก็เป็นลักษณะของพวกศีละพัตูปาทานก็เลยดูแต่ดวงอาทิตย์อยู่นั่นแหละจนตาเกือบบอดเลยแต่ก็บอดก็มีนะดูดวงอาทิตย์จนตาบอดก็มีที่อินเดียนะของไทยอาจจะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ก็มีพวกที่ทิศีละพัตูปาทานโดยใช้ตาเนี่ยเป็นข้อ ปฏิบัตซึ่งไม่ใช่กสินเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าดูบางอย่างที่คิดว่าดูอย่างนั้นแล้วจากบริสุทธิ์ได้นี่นะแล้วก็พวกนี้เป็นวัตถุแห่งกามมปาทานบ้างทิฏฐุปาทานบ้างศีลพัตตุปาทานบ้างอัตตาวาทุปาทานบ้างก็เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานที่นี้เมื่อกล่าวว่าจิตเหล่านี้วิจิตโดยวัตถุเนี่ยนะวัตถุที่ตั้งก็เช่นปัญจทวาราวัชนาอาศัยหัตยวัตถุจักกูวิ ญ, ญญาณอาศัย จากขวัตถุที่เหลืออาศัยหัตถยาวัตถุหมดมันวิจิตทั้งโดยอารมณ์แล้วในบรรดานโลกของอารมณ์เนี่ยนะสีในโลกนี่มีกี่สีหาประมาณไม่ได้เพราะสีในโลกนี่มีเป็นล้านๆสีเพราะแต่ละคนเนี่ยยังสีผิวก็ไม่เหมือนกันใชไม่เหมือนกันแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็คนละอย่างคนละอย่างไปเลยเพราะสีในโลกนี่มีมากวิจิตโดยอารมณ์วิจิตโดยทวารวิจิตโดยวัตถุ แล้วก็ยังวิจิตโดยเจตสิกที่ประกอบอีกเพราะว่าที่เป็นกุศลเท่าไหร่แปดอากุศลสิบสองกิริยาอี 8. กแปดกรณ์วิจิตจริงๆในโลกของมันเมื่อเห็นปั๊บเนี่ยนะคิดไม่เหมือนกันถามร้อยคนนะคิดไม่เหมือนกันสักคนเนี่ยเนะนี่ยคือความวิจิตของจิตเพราะนั้นธรรมชาติที่ชื่อว่าจิตเนี่ยนะจิตตัถโถเนี่ยสภาวะอันนี้ควรรู้ยิ่งควรรู้ยิ่งในจิตเป็นคําพูดย่อๆว่า จเจริญจิตตานุปัสสนาน ะ, จะเจริญจิตตานุปัสสนในจิตพูดถึงตรงนี้อีกนิดหนึ่งว่า